ก็ขอใช้เวลาหน่อยเป็นชาวต่างประเทศก็มีมาอยู่เรื่อยๆบางทีงก็หลงทางมาวันก่อนมีชาวมาเลเซียหลงทางมาเขากพูดภาษากับคนไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกให้ขึ้นมาที่นี่ก็แล้วกันมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ก็ต้องเดินมา เดินหัวเดินจากปากทางสุขุมวิทเข้ามาเนี่ยสามชั่วโมงมาก็บอกว่าเขามีปัญหาข้าวของหายหมดเงินทองหายหมดเอกสารพาสะปอร์ตอะไรหายหมดมีแต่ใบแจ้งความมาให้ดูใบหนึ่งพอดีมีญาตโยมคนหนึ่งเขาเลยช่วยจัดการให้ ถามว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะไปสถานทูตที่กรุงเทพแต่ไม่มีเงินค่ารถไม่มีอะไรเขายยมันนี้ก็เลยขับรถไปส่งขึ้นรถตู้แล้วก็จ่ายค่ารถให้แล้วก็ให้เงินเขาไว้ก้อนหนึ่งนี่คือเรื่องของคนชาวพุทธเรามักจะเป็นอย่างนี้ ทำบุญทำทานทำอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกับญาติโยมใส่บาตรแล้วส่งพระขึ้นรถก็เหมือนกันพระรโยมก็เป็นคนเหมือนกันมีความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุให้เรามีความเมตตาตาตา่อสรรพสัตว์ทั้งปวง ไม่ใช่แต่เฉพาะเมตากับพระหรือเมตากับคนที่เรารู้จักญาติพี่น้องญาติญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้นเราควรที่จะให้ความเมตตากับทุกทุกคนทุกๆมนุษย์ทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็ตามสัพเพสัตตนี้แปลว่าสัต ทั้งหลายทั้งปวงคาว่าสัตว์นี่หมายถึงผู้ที่มีชีวิตซึ่งผู้ที่มีชีวิตนี้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันมนุษย์นี่ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเทวดาเปรตอสุรกายก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเราคนที่จะให้ความเมตตาต่อกัน เพราะทุกคนมีความปรารถนาเหมือนกันจิตใจทุกดวงไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์ของเทวดาของเปรตของสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ชนิดไหนก็ตามมีความต้องการเหมือนกันหมดคือมีความปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์กันแต่ชีวิตของพวกเรามันของสัตว์ ทั้งปวงมันตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วกฎอยู่ตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือชีวิตของเราทุกคนไม่มีอะไรที่ยงแท้แน่นอนมีเกินวันนี้พรุ่งนี้อาจจะอดกินก็ได้สุขสบายวันนี้พรุ่งนี้อาจจะตกทุกข์ได้ยากก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเอจะดีหรือจะชั่ว กันตอนไหนเวลาไหนแต่ที่แน่นอนก็จะต้องมีขึ้นมีลงกันบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเวลาเราทุกข์ถ้ามีคนมาช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเราเราก็จะมีความดีใจกันฉะนั้นเวลาคนอื่นเขาทุกข์ถ้าเราช่วยเหลือเขาเขาก็จะดีใจ เวลาที่เราได้ทำให้คนอื่นเขาหายทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ให้เขาเราก็จะมีความสุขไปกับเขาด้วยนี่คือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความสุขด้วยการมีความเมตตาต่อกันความสุขนี้มันมีสองแบบสุขส่วนใหญ่ที่เราสร้างกันมันเป็นสุขปลอม สุขที่ได้จากการทําตามความอยากต่างๆเวลาเราอยากทําอะไรพอเราได้ทําเราก็เกิดความสุขแต่มันเป็นความสุขเดี๋ยวๆแล้วมันทําให้เราติดเหมือนติดยาเสพติดพอไม่ได้ทาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราทําบุญทาทานด้วยความเมตตา เห็ในกาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอที่เราจะช่วยเหลือได้พอเราช่วยเขาแล้วเราจะได้ความสุขอีกแบบหนึง่งเป็นความสุขที่มีความรู้สึกที่หนักกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำอะไรตามความอยากต่งตงางๆดังนั้นกอให้เรามาหัดแผ่เมตตากันดีกว่า การแผ่เมตตานี้มีอนิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่มีความเมตตานี้จะอยู่เป็นสุขเดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเกลียดชังคนที่มีความเมตตา คนเวลาใครเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาเขาไม่เกียดเราเขาจะรักเราแล้วต่อไปถ้าเราเป็นอะไรถ้าเขาช่วยเหลือเราได้เขาก็จะช่วยเหลืออุตจมะบอกว่าเทวดาจะคุ้มครองคนที่ก่อเมตตาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาที่เขารู้ว่าเราเป็นคนดีหรือเราเคยช่วยเหลือเขาในอดีต เขาก็จะคอยปกคล้องคุ้มครองเราน่าจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะไม่มีใครปองร้ายเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาโกรธเขาเกลียดเราเรามีแต่ทำให้เขารักเราแล้วก็จะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใส ถ้านั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายถ้าตายไปถ้ายังไม่ได้ถึงทำขั้นสูงกว่าก็จะไปสู่สุคติไปอย่างน้อยไปเป็นเทวดาขึ้นไปถ้าไม่ไปถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานก็จะไปเป็นเทวดาก่อนนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการ แผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทาอย่างที่เมื่อกี้อาตมา ก, กระทํานี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาเขามาหาก็ถามเขาว่าเขาขาดแคลนอะไรต้องการอะไรให้ช่วยหรื อ, รอไม่พอทราบว่าเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราทาได้เราก็บอกเขาไป เขาก็สบายใจเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขที่เราได้ช่วยเหลือเขานี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำที่ที่เขาสอนให้เราแผ่เมตตาตอนไหว้พระสวดมนต์นี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเรียนเรียนรู้วิธีแผ่เมตตา หรือเป็นการเตือนสอนใจเราให้แผ่เมตตาด้วยการสวดสวดบทแผ่เมตตาเป็นเหมือนย้ำคอยเตือนใจเราย้ำใจเราว่าเราต้องแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาเอเวลาโหนตุแปลว่าเราอย่ามีเวรกับสัตว์ทั้งปวงคําว่ามีเวรก็คืออย่าไปจองจองเวรจองกรรมกัน ใครเขาทาอะไรให้เราเดือดร้อนหรือเสียหายให้คิดว่ามันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะไปล้างมันได้แต่เราสามารถที่จะ<ม>อะไม่ไปรู้สึกอะไรกับมันได้ด้วยการแผ่เมตตาคือให้อภัยเขาใครเดินมาชนเราอย่างนี้โดยที่เขาไม่มีเจตนาหรือเจตนากระทำ เขาชนแล้วนะ่ะจะไปโกรธเขามันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการกระทาของเขาที่เกิดขึ้นไปแล้วไปโกรธเขากลับทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ถือสาเขาให้อาภัยเขาไปเ อ, อ้าช่างมันคนไม่มีตามาตาเลยไม่มีสติหรือมันโกรธเรามันเกลียดเราเราเคยไปทำอะไรให้มันไม่พอใจ มือนก็เลยมาขอล้างแค้นก็เราอยากไปล้างแค้นตอบคิดว่าใช้นี่ไปเพราะว่าถ้าเราไม่ไปตอบโต้เดี๋ยวเรื่องมันก็จบถ้าเราไปตอบโต้เขาเดินมาชนเราเดี๋ยวเรากลับไปเดินไปชนเขาเดี๋ยวเขาก็กลับจะมาชนเราแรงกว่าเก่าอีกดีไม่ดีเออเาศอกยัดเข้าอีกอ น, นี่คือ ทำไมเราจึงควรไม่จองเวรกันเพราะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นการจองเวรไม่ไม่ได้เป็นการระงับเวรกรรมมีแต่จะเพิ่มเวรกรรมให้มีกําลังมากขึ้นอย่างที่มีนิทานเรื่องน้ํำพึ่งหยดเดียวอันนี้ลองไปอ่านดูจำไม่ได้แะมีน้ํำพึ่งหยดหนึ่งแล้วก็มีสองฝ่ายมามีปัญหากัน ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหลไรเดี๋ยวด่ากันว่ากันตีกันฆ่ากันมันจะบานปลายแต่ถ้าไม่ถือสากันโอเคเพิ่เพิ่ก็ถ้ามันเพิ่นกับเช็ดเสื้อจบนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปมีเวทมีกรรมกับใครมองให้คิดถึงผลที่มันจะตามมา แต่บางทีมันไม่จบแค่พบในชาตินี้ตายไปชาติหน้าไปเจอกันก็จองเวนจองกรรมกันต่อนี่ที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวนเนี่ยก็เกิดจากการที่เราไม่ยอมให้อภัยกันใครทำร้ายทำอะไรเราเราต้องเอาฟันต่อฟันตาต่อตาเนี่ยเนี่ยมันก็จองเวนกันไปจองเวนกันมาเขาก็คิดเหมือนเราเราก็คิดเหมือนเขา เขาก็ฟันต่อฟันแล้วก็ตาต่อตามันก็จองกันไปมันเอาตาเราเราก็เอาฟันมันมันเอาฟันเราเราก็เอาแขนมันเอาขามันเดี๋ยวก็ฆ่ากันพอฆ่ากันตายพี่น้องก็มาทามาล้างแค้นให้กันต่ออีกยาตพี่น้องเพื่อนฝูงอีกทําให้คนอื่นเขาต้องวุ่นวายตามไปกันเพราะ เลสของคนเราคื อ, อย้มไม่ได้ค่าได้แต่ย้มไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือความเมตตาอันดับแรกมีอยู่สี่ละมีอยู่สี่แบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็คืออย่าจองเวรกันเวลาทำงานร่วมกันหรือเวลาพบปะกันแล้วเกิดมีอะไร ผิดพลาดเสียหายขึ้นมาก็อย่าไปถือสากันให้อภัยกันไปถ้าใ ห, ให้อภัยไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปตอบโต้อย่าไปทําอะไรบางทีใจเรายังไม่ยอมกิเลสเรายังไม่ยอมเราก็ต้องใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์หรือคนที่ทําให้เราโกรธ เลื่อดินออกจากเหตุการณ์นั้นไปอย่าประชิญหน้ากันเพราะยิ่งประชิญหน้ามันยิ่งทําให้ความเกิดความโกรธมันทวีขูดขึ้นมายิ่งเห็นหน้ายิ่งพูดยิ่งว่ากันเดี๋ยวยิ่งโกรธกันใหญ่เห็นแยกกันออกนะอย่าอย่าไปเห็นหน้ากันแยกไปแยกไปแล้วยังคิดถึงเขาอยู่ก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิด ให้มันคิดอยู่กับพุทธโธไปสักระยะหนึ่งไม่นานเดี๋ยวมันก็จะหายโกรธลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาพอไม่คิดถึงมันความโกรธมันก็หายไปความโกรธมันเกิดจากความคิดของเราแล้วถ้าเราอยากจะให้หายแบบถาวรเลยนี่ก็มีอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าปัญญาปัญหาของความโกรธนี่เกิดจากความอยากของเรา อยากไม่ให้เขาลบหลู่เราอย่างนี้พอเขาลบหลู่เราเราก็โกรธพระพุทธเจ้าบอกเราต้องมาหยุดความอยากนี้เพราะปัญหามันเกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่หยุดตัวนี้ไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนไปเจอใครพอเขาลบหลู่เราหน่อยเราก็จะโกรธขึ้นมา ท, าทันทีแล้วจะมีเวรมีกรรมกันขึ้นมาขึ้นมาทันที ถ้าเรามาคอยสอนใจห้ามใจไว้อย่าไปอยากให้เขาไม่ลบหลู่เราเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะพูดดีกับเราหรือพูดไม่ดีกับเรานี้เราห้ามเขาไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฝนฝนตกแดดออกเราไปห้ามฝนไม่ได้ไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้ฝนมันจะตกเมื่อไหร่มันก็ตก มันไม่ตกมันก็ไม่ตกคนจะพูดดีหรือด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เราอยากไปอยากให้เขาไม่ด่าเราไม่พูดไม่ดีกับเราหรืออยากไปอยากให้เขาพูดดีกับเราปล่อยเขาไปเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนเหมือนฝนตกแดดออกเขาจะชมเราก็ปล่อยเขาชมไปเขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไป ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาชมหรือด่ดาเราแล้วเราก็จะไม่เกิดไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือวิธีที่เราจะสามารถแผ่เมตตาด้วยการไม่จองเวรกันถ้าแล้วทุกอย่างก็จะสงบใจเราก็สงบเขาก็สงบเขาก็สบายเพราะเราไม่ไปทำอะไรเขา แล้วก็สบายเขาก็จะไม่ทำอะไรแล้วถ้าเขาทำก็ปล่อยให้เขาทำไปจนกว่าเขาจะหมดแรงเดี๋ยวหมดแรงเขาก็หยุดเองนี่คือสัพเพสัตตาอเวราโหตุข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัพเพสัตตาอัพยาปัจชาโหตุแปลว่าอย่าเบียดเบียนกันอย่ารังแกกันเ อย่าเบียดเบียนกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันให้เรามาีใจเป็นนักกีฬ า, าถ้าแข่งขันกันก็แข่งขันพักภายใต้กฎกติกาอย่าใช้เล่ใช้เหลี่ยมใช้อำนาจใช้อะไรข่มเหงรังแกกัน อ, อยู่ร่วมกันทุกคนก็ต้องทามาหากินก็เป็นธรรมดา ที่อา จ, จะต้องมีการแข่งขันกันบ้างก็แข่งขันกันด้วยของใจแบบนักกีฬามีกฎกติกาเขาค้าขายแบบเดียวกันเราเราทําบ้านจัดสรร์เขาก็ทําบ้านจัดสรร์ต่างคนก็ใช้การตลาดแข่งขันกันไปลดแลกแจกแถมอะไรกันไปอย่าไปป้ายลายป้ายสีอย่าไป กานแกล้งเขาด้วยวิธีการต่างๆคืออย่าไปเบียดเบียนกันให้อยู่กันอย่างสันติแล้วจะมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายข้อที่สามอนิคาโหตุอย่าไปทำร้ายกันทำร้ายร่างกายหรือจิตใจกันอย่าไปทุบตีเขาอย่าไปฆ่าเขา อย่าไปทำร้ายจิตใจอาจจะไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทุกตีแต่อาจจะไปทำอะไรทำให้ทำร้ายจิตใจเขาเช่นบางคนนี่ไปยอ้อนไปดันเหยียบเงาไปหยอยหัวเขาใหานี้เขาก็กโกรธได้หร <c ười> ือไปทำท่าทางหรือทำอะไรทำให้ <c ười> คนเรามีวิธีการหลายแบบ ทำเพื่อให้เขโกรธแค้นทำร้ายจิตใจกันอย่าไปทำเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะพอเขาโกรธแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทำเราอีกเนี่ยอันนี้คารมตุวอย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันละกันข้อที่สี่สุขีอาตานังปะลิหารันตุให้ความสุขกับเขาเช่นตอนนี้ใกล้ปีใหม่เนี่ยเราเตรียมส่งขออลขอสกันแล้วใช่ไหม สาวกสอบแปลว่าอะไรรู้ป่ะส่งความสุขเนี่ยเนืให้ความสุขกันส่งขนมเค้กไปส่งอะไรไปส่งของขวัญเป็นซันต์ครอสกันตอนนี้ทุกคนได้รับของขวัญก็ดีออกดีใจมีความสุขกันแต่เราทำได้ทุกวันไม่ต้องรอให้ปีใหม่หรือวันคริสต์มาสขันมาทำกัน ทำมันทุกวันเลยมีของคมีของเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแจกกันอยากะ้ห้ใครก็มีความสุขอยากย้ายเรามีความสุขซื้อขนมเวลาไปทำงานก็ซื้อขนมติดมือไปเดี๋ยวก็ไปจากเพื่อนฝูงที่ทำงานกันเดี๋ยวจะอยู่ที่ทำงานกันด้วยอย่างมีความสุขเขาจะรักเราเขาจะชอบเรานี่คือการแผ่เมตตาสี่ลักษณะด้วยกัน หนึ่งไม่จองเวรสองไม่เบียดเบียนสามไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจและสี่ให้ความสุขกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้รับรองได้ว่าจะไม่มีใครเกลียดชังเราอย่างแน่นอนจะมีจะไม่มีใครเขาจะมาทำร้ายเราไม่ได้มาฆ่าเราด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษต่างๆเทวดาจะคุ้มครอง นอนหลับไม่ฝันรด้เติรนเป็นสุขหลับเป็นสุข น, นี่คือเรื่องของความเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทํากันเพราะนี่แหละคือวิธีสร้างความสุขให้แก่จิตใจอย่างแท้จริงความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมา เวลาแผ่เมตตาแล้วถ้าวันไหนไม่ได้แผ่เมตตาก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็ได้ความสุขพอวันไหนไม่ได้เที่ยวความสุขนั้นหายไปละได้ความทุกข์กลับมาแทนวันไหนต้องอยู่บ้านไม่มีเงินไปเที่ยวอยู่บ้านก็เศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาไม่เหมือนกับการ แผ่เมตตาให้ช่วยเหลือคนอื่นซื้อข้าวซื้อของให้คนอื่นเกิดความสุขขึ้นมาวันไหนไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของให้เขาก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้ทำบุญก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวนี่จะเดือดร้อนเคยซื้อของเคยช้อปปิ้งแล้วพอไม่ได้ไปช้อปปิ้งก็จะเดือดร้อน ให้มาหาความสุขที่ไม่มีพิษไม่ีภัยดีกว่าความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์คือความสุขที่เกิดจากการแผ่เมตตาช่วยเหลือกันดูแลกันแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีการทะเลา ะ, ะ, ะวิวาทกันไม่มีการโกรธเกลียดกัน ให้เราคิดถึงความตายบ้างก็ดีเหมือนกันเพราะบางทีถ้าลืมความตายมันก็จะมาทะเลาะวิวาสกันมาแข่งแย่งชิงดีกันมาแข่งแย่งสมบัติเข้าของเงินทองกันเลยแผ่เมตตาไม่ออกดีแผ่ไม่ออกก็เพราะมีคู่แข่งคู่แข่งมามาแข่งมาแย่งสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือเป็นมรดก ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เวลาพ่อแม่อยู่ก็ไม่ไมค่อยมีปัญหาพอพ่อแม่ตายนี้บางทีขึ้นลงศาลกันเลยแย่ ง, ยงสมบัติกันฟ้องกันไปฟ้องกันมาอันนี้เพราะความโลภในสมบัติในข้าวของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้และจะอยู่แค่ในโลกนี้ เราตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้ให้คิดถึงความตายบ้างว่าสิ่งต่างๆที่เราแย่งกันกัดกันนี่มันก็เพียงแต่แค่อยู่แค่ในโลกนี้เท่านั้นเองตายไปเราไปไม่ได้สิ่งที่เราไปก็คือการกัดกันนี่แหละมันจะติดตัวเราไปก็จะเป็นเป็นสัตว์ได้ราฐานกันถ้าแย่งกันกัดกัน ถ้าอยากจะไปเป็นเทวดาก็ต้องมีความเมตตาต่อกันพูดกันด้วยวิีสันติวิธีคุยกันด้วยสันติวิธีแล้วก็ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร่ให้คิดว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วนี่มันมากเกินกว่าที่เราจะทดแทนบุญคุณได้แล้วก็คือชีวิตนี้เองร่างกายของพวกเราเนี้ย มีของเป็นของที่มีคุณค่าราคายมากยิ่งกว่าสมบัติข้าวของเงินทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกๆต้องมาทะเลาะกันมาฆ่ากันมามีปัญหาต่อกันรับสมบัติเป็นของชั่วกราวเอาตายไปเอาไ ป, ไ, ป, า ไ, ปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปก็คือความดีความชั่วของเรา ถ้าเราทําความดีความดีมันจะติดตัวไปกับเราถ้าเราทําความชั่วความชั่วมันจะติดตัวไปกับเราแล้วมันจะเป็นตัวที่จะสร้างเรืเ่องวุ่นวายต่างๆให้กับเรา Saints. คนชั่วกับคนดีนี่อยู่คนละแบบคนดีนี่อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายคนชั่วนี่อยู่อย่างวุ่นวายอยู่อย่างอยู่อย่างไม่สงบ ตายไปก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่ไม่สงบดวงวิญญาณของเปรตของอสลรกายของนรกหรือถ้าได้ร่างกายก็ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าทำความดีตายไปจะได้ดวงวิญญาณจะเป็นดวงวิญญาณของเทวดาถ้าได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของมนุษย์ของมนุษย์ที่มีวาสนาบารมี มนุษย e uh so like ์เราที่เกิดมาที่มีความแตกต่างกันทำไมถึงต้องมีทำไมต้องแตกต่างกันทำไมไม่เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดทำไมไม่ดีเหมือนกันไปหมดทำไมไม่ชั่วเหมือนกันไปหมดก็เพราะว่าตอนอดีตตอนที่เป็นมนุษย์ในอดีตนั้นทำดีหรือทำชั่วกันนั่นเองพวกที่ทาดีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีต่อ พวกที่ทําชั่วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ชั่วต่อไปนี่คือกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเป็นกฎอัตโนมัติทากรรมดีทํากรรมชั่วแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นทันทีพะพุทธเจ้าสอนบอกว่าจะทําการมันาดไว้จะดีหรือชั่วบาปจะบาปหรือบุญ จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเหล่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมได้เหมือนกับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าขับรถแล้วไม่ทาตามกฎหมายจะต้องถูกตำรวจจับเวลาตำรวจจับบอกผมไม่รู้ผมไม่ผมไม่รู้ว่ามีกฎหมายอันนี้ตำรวจก็ไม่สนใจหรอกคุณไม่รู้ไม่รู้ คุณทำผิดกฎหมายเขาก็จับปรับคุณแล้วล่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะกฎแห่งกรรมยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งแม่นยิ่งแน่นอนก็ ก, กฎของกฎหมายกฎหมายบางทีตํารวจไม่รู้ก็อาจจะไม่จับก็ได้หรือจับแล้วปล่อยก็ได้เอถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนกันแต่กฎแห่งกรรมนี้ไม่มีการอหลบหนีหนีไม่ได้ ไม่ต้องมีตำรวจมาคอยตามจับไม่ต้องมีศาลมาคอยลงโทษตัดสินคดีกฎแห่งกรรมนี้เป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งอายการเป็นทั้งศาลตัดสินคดีเรียบร้อยทันทีเลยอัตโนมัติฉะนั้นให้เชื่อกฎแห่งกรรมไวเ้เถิดเพราะเชื่อแล้วมันจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปกันเราจะได้ทำแต่ความดีกัน แล้วการกระทำความดีนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเราดีขึ้นไปตามลาดับดีจนถึงระดับพระพุทธเจ้ากันเนี่ยพระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนกะ็องเลยพยายามละการกระทำบาปไม่ทำบาปอยู่ทุกภพทุกชาติทำแต่บุญอยู่ทุกภพทุกชาติตอนในที่สุดบุญที่ได้ทำ ในแต่ละภพแต่ละชาติมันมันงอกเลยขึ้นมาเต็มร้อยขึ้นมาก็เลยส่งให้ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าเราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อกดแห่งกรรมระงับการกระทำบาปทั้งปวงทำแต่บุญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็มาชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ เพราะการจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสวักได้นี้การทำบุญและการไม่ทำบาปยังไม่พอการทำบุญแล้วไม่ทำบาปนี้จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดนาบายให้เราไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าเราอยากที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี้เราต้องมาชาระใจของเรา ที่ยังมีสิ่งเศร้าหมอง เ, อเปิอะเปื่อนจิตใจอยู่คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้ละ่ะถ้าเราไม่ชำระไอ้กิเลสตัณหานี้มันจะไม่ทักมนเราจะไปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวกไม่ได้ เป็นพระอริยะเจ้าขั้นต่า ง, างๆไม่ได้ต้องกำจัดกิเลสตัณหาท่านั้นเพราะว่าถ้าเรากำจัดได้หมดใจเราก็จะไม่มีเชื้อของภพชาติอีกต่อไปจะไม่มีอะไรพาให้ใจของเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ใจของพวกเราในขณะนี้มันยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ยังมีความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอร่างกายตายไปความโลภความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะเป็นตัวดึงให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาทำตามความโลภใหม่อย่างพวกเรามาเกิดนี่มีใครต้องมาสอนให้เราโลภ ก, กันไหมมันมีใครมาสอนให้เราโกรธกันไหม ไม่มีหรอกมันมันฝังมาอยู่ในใจเหมือนกับเมล็ดของผลไม้ต่างๆเนี่ยมันมันฝังต้นไม้อยู่ในเมล็ดนั่นแะพอมันไปลงดินที่ไหนได้น้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวต้นไม้ของผลไม้ชนิดนั้นก็โผล่ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายังมีความโลภความอยากอยู่นี่พอร่างกายนี้ตายไป มันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่และช่วงที่ไปหาร่างกายอันใหม่นี้ก็ต้องไปรับใช้บุญใช้บาปก่อนเป็นดวงวิญญาณช่วงนั้นช่วงที่ไม่มีร่างกายเราเรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณถ้าทาบาปก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์เช่นดวงวิญญาณของพวกเปรตนี่มีความทุกข์เพราะความหิวโหย พวกกสุร่กายนี่มีความทุกข์เพราะความหวาดกลัวพวกนาโรคนี้เป็นดวงเวียนญาณที่ทุกข์ด้วยความโกรธเกลียดเครียแค้นอาฆาตพยาบาท <c oughs> ถ้าไปได้ร่างกายก็ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานพวกที่ทำบาปจะเป็นอย่างนี้จนกว่าบาปหมดอำนาจหมดพลังที่จะให้เราไปรับใช้บาป มันถึงจะให้เราบางเกิดเป็นมนุษย์กันได้แต่จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ดีมนุษย์ต่าช้าเลวทรามพวกทําบาปจะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครชมว่าคนทําบาปนี้ดีน่ายกย่องสรรเสริญมีแต่คนตาหนิตีเตียนว่าต่าช้าเลวทรามนี่คือถ้าเรา อย่างไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาต่างๆมัญญาทำให้เรามารับใช้กรรมที่เราทำไว้ต่อก่อนถ้าเป็นบุญเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆเป็นชั้นดุสิตชั้นเดา ว, วดึงชั้นอะไรต่างๆทำไมถึงมีหลายชั้นก็เพราะทำบะทาบุญไม่เท่ากันเลยทำน้อยจะได้เท่ากับคนทามากได้อย่างไรพวกทามากเขาก็ขึ้นไปชั้นสูง ลกทำน้อยเขาก็อยู่ชั้นต่าเหมือนโรงแรมเหม็นมหรือคอนโดมีหลายราคาใช่ไหมราคาต่าก็มีราคาสูงก็มีอยู่ที่ใครมีเงินซื้อมีเงินซื้อมากๆก็ซื้อคอนโดระดับร้อยล้านได้ถ้าไม่มีมีแค่ล้านสองล้านก็เอาคอนโดระดับล้านสล้านไปก่อนมันก็เป็นคอนโดเหมือนกันแต่ทำไมมันถึงต่างกัน ต่างที่ราคาอันนี้ก็เหมือนกันเวลาทําบุญแล้วตายไปมันก็ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆกันเพราะทําบุญไม่เท่ากันคนทําบุญระดับพันก็ไปชั้นหนึ่งระดับหมื่นก็ไปชั้นหนึ่งระดับแสนก็ไปชั้นหนึ่งระดับล้านก็ไปชั้นหนึ่งอันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อให้ทําบุญเยอะๆนะเพราะอยากจะทำํำถ้าไม่มีทำก็ทําไม่ได้ อยากจะอยู่คอนโดร้อยล้านถ้าไม่มีเงินซื้อมันก็ซื้อไม่ได้ใช่ไมมีเงินล้านก็ต้องซื้อคอนโดเงินล้านของเราไปอันนี้พูดให้ฟังเท่านั้นเองจะทำหรือไม่ทำนี้เราไม่ได้ม า, เ, าเป็นกองเชียร์ใครจะทามากทาน้อยก็วัดดูที่ใจก็ได้ทามากงินจะสุขมากกว่าทาน้อยไม่เชื่อเราเปรียบเทียบดู วันนี้ทำร้อยบาทเดี๋ยวพวกนี้ทำพันบาทนะแล้วดูซิว่าความรู้สึกที่ได้จากการทำร้อยบาทกับพันบาทมันต่างต่างกันไหมความยิ่งเสียมากยิ่งเสียสละมากยิ่งมีความสุขมากเสียสละน้อยก็มีความสุขน้อยไม่เสียสละเลยก็ไม่มีความสุขเลยเช่นารที่ยาเงินทำบุญเอาเงินไปเที่ยวกัน อันนั้นได้แดดความเพลิดเพลิน ด, ดีใจเดียวเดียวพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแหละ <C ül> น, น, นี่คือทาไมเรายัางต้องกลับมาเกิดยังมาต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่ถ้าเรายัางไม่ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเรายัางมีเชื้อของภพชาติอยู่ยังมีเมล็ดอยูางงา่พูดง่ายๆถ้าไม่อยากให้ส้มมันมีมส้มต่อไปนี่เราต้องทำลายเมล็ดส้มให้หมด พอไม่มีมเมล็ซ่อมแล้วมันก็จะไม่มีซ่อมที่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราต้องทําลายความอยากสามชนิดด้วยกันหนึ่งความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเรียกว่าการมาตันหาการแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรดการมาขุนห้าทุกคนอยากจะเสพกันไม่ใช่เหรออยากดูหนังกันไหมอยากฟังเพลงกันไหมอยากดมน้ําหอมที่หอมๆไหม อย่างลิ้มรสของที่อร่อยมไหมถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็จะพาให้เรากลับมาหาเหมือนกับคนติดยาเสพติดเนคนติดยาเสพติดนี่อยู่ดีๆจะเลิกเสพได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอมีโอกาสมันก็จะซื้อยาเสพติดเมยเสพทันทีถ้าไม่มีมันก็มันก็ลงแดงไปก่อนทรมานไปก่อนพอมีเงินหรือมียาเสพติด ปั๊บมันจะเสพทันทีเลยนี่คือการมตันหาทำให้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายจะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายไม่ว่าร่างกายของมนุษย์หรือของเดรัจฉานก็มีกามรตัญหาเหมือนกันพวกการมรร์พวกเดรัจฉานนี่เขายังมีบาปอยู่เขาเลยต้องต้องได้ร่างกายของเดรัจฉานพวกมนุษย์นี่ได้ชาระบาปไปแล้ว ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลัจฉานก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ต่ำต้อยถ้ามาจากการทำบาปถ้ามาจากการทำบุญมาจากเทวดาก็จะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบาลีคนเราจึงมีความต่างกันสองด้านเนี่ยพวกหนึ่งก็สวยงามรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีเงนินมีทอง มีอาการสาสิบสองครบบริบูรณ์มีอายุยืนยาวนานอีกพวกหนึ่งก็เป็นพวกอับพับวาสนามีรูปร่างอับประลักพิกลพิการอาการไม่ครบสาสิบสองโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นนี่เป็นผลจากบาปบุญที่ได้ทำไว้แล้วที่กลับมาเกิดก็เพราะกามาตันหายังมีอยู่ในใจ นอกจากกามาตนาแล้วก็ยังมีภาวะตันหาอีกอยากมีอยากเป็นอีกพ อ, อกมาเกิดก็อยากจะร่ำอยากจะรวยกันอยากเป็นใหญ่เป็นตโตกันอยากให้คนเขายกย่องสรรเสริญ น, นี่เรียกว่ากามาตหาแล้วนอกจากกามาตนาก็ยังมีวิภาวะตันอันที่สองเรียกว่าภาวะตันหาอันแรกเรียกว่ากามาตนาอันที่สองภาวะตันหาอยากมีอยากเป็น อันที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหา <c oughs> อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนเขาด่าเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้มันก็จะดันให้ใจเราดิน้นเจอความแก่ก็ดิ้นหนีเจอความเจ็บก็ดิ้นหนีเห็นไ้ยพอผมหงอกก็ดิ้นหนีกันย้อมผมกัน พอหนังเหี่ยวก็ไปหาหมอทำสัญญกรรมกันดิ้นหนีความแก่พอเจอความตายก็ดิ้นกันใหญ่าหาหมอหาอยู่้ายากันวุ่นไปหมดนี่คือเรื่องของความอยากเป็นตัวที่ทำให้ใจดิ้นถ้ามันดิ้นนี่แหละมันก็จะไปเกิดถ้าไม่อยากให้มันไปเกิดต้องให้มันไม่ดิ้นให้มันอยู่เฉย แก่ก็เฉยไปกับความแก่เจ็บก็เฉยไปกับความเจ็บตายก็เฉยไปกับความเจ็บเราจะไม่ดิน้นรวยก็ไม่อยากรวยไม่รวยก็อยู่กับความไม่รวยไปไม่เดือดด้อนไม่เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ดิ้นไปหาความเป็นใหญ่เป็นโตเฉยๆไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ไปดิ้นหามันพวกที่จะทำอย่างนี้ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนักบวชเนี่ย พวกที่เขามาบวชกันเนี่ยเขามาบวชเพื่อมาชําระไอ้สามตัวนี้แหละชําระกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเพราะเขาเบื่อกับการมาเกิดแก่เจ็บตายถ้ามีไอ้สามตัวนี้หนีไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายนะแล้วเวลามาเกิดมันไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวนะมันไม่ดีก็มีมาด้วยนะอย่างน้ําตาที่เราหลั่งกันเนี่ย มีใครไม่ร้องไห้กันไหมตั้งแต่มาเกิดกันเนี่ยถ้าเอาน้ําตาที่เราร้องเนี่มารวบรวมไว้ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้พระพุทธเจ้าบอกยิ่งมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรอีกคิดดูว่าเรามาเกิดแก่เจบตาน ก, นกันกี่ครั้งถึงจะร้องไห้ได้น้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรและยังไม่หมดนะยังจะร้องต่อไปอีกถ้าตามใดเรายังไม่สามารถมากําจัด ให้ความอยากสามตัวนี้ได้แต่ยังกำจัดการมารตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาไม่ได้มันยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆต้องมาลองห่มล้องห้ายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราจะต้องมีการพัดพากจากกันเสมอได้อะไรมามากน้อยเพียงไรดีมากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตาย นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องมาหลังน้ําตากันเพราะเรามาหาสิ่งในโลกนี้ที่ไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งที่จะต้องมีการจากกันเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมันก็ไม่เที่ยงร่างกายเดี๋ยวมันแก่เจ็บตายมันก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหามาได้ไปเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าๆกัน แล้วเวลาไปเราก็ไปตัวเปล่าๆกันของในโลกนี้เราติดตัวไปไม่ได้แต่เอาไปได้ก็บุญกับบาปหรือกิเลสตัณหาเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าเราชำระ ก, กิเลสตัณหาไม่เอาติดตัวไปด้วยเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายท่านจึงออกบวช เพราะท่านรู้ว่าอยู่ในวังนี้ไม่มีทางที่จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็เลยออกบวชเพื่อไปหาวิธีหยุดการเกิดแก่เจ็บตายก็ไปค้นพบว่าเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือกามะตัตหาภวะตันหาวิภวะตันหาพราะองค์ก็เลยต้องปฏิบัตินั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนานั่งสมาธิหยุดความโลภกอดหนงหยุดความ อยากทั้งสามแต่พอเวลามันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาตัดมันไปสมาธินี้ตัดการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ได้ต้องอาศัยวิปัสนาคือความจริงสอนให้ใจรู้ว่าถ้าทามตามความอยากความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ความอยากมันหายไปต้องไม่ทำตามความอยาก จะอยากสูบบุหรี่ถ้าอยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบนทุกครั้งที่อยากก็อย่าไปสูบบุหรี่ <c oughs> ไปทําอย่างอื่ น, นเวลาอยากสูบบุหรี่ก็ไปวิ่งจ็อกกิง้งหรือไปวไ่ายน้าหรือไปทําอะไรให้มันลืมซะอย่าไปสูบหรือแม่งเาไปทากระบอกเหมือนพระที่ท่านมาเนี่ยพวกติดยาเสพติดอยากจะเลิกติดยาก็ ตัวเองไม่มีกำลังก็เลยต้องไปหาโค้ดมาช่วยสอนวิธีเลิกความอยากกันที่นั่นเขาก็ให้กินยากินอะไรเพื่อที่จะทําให้มันลดความอยากลงแล้วก็ให้ใช้วิธีไหว้พระสวดมนต์ฝึกนั่งทาสมาธิทำใจให้สงบ <c oughs> แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่านี่แหละโทษของยาเสพติดเป็นอย่างนี้ถ้าเสพแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้เสพ อันนี้ก็เหมือนกันความอยากก็เหมือนกันทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราทําเราจะต้องทําอยู่เรื่อยๆอยากไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวเดี๋ยวความอยากไปเที่ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่อยากชอปปิง้งไปชอปปิง้งเดี๋ยวความอยากชอปปิ้งก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะเลิกก็ต้องไม่ทํามันแต่เวลาจะเลิกนี่มือไม้มันสั่นเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยพอฝืนพอไม่ทํามันจะทําให้ใจเราสั่น วิธีที่จะแก้ก็คือเนี่ยต้องใช้สติใช้สมาธิช่วยแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่านี่แหละคือผลที่เกิดจากการทําตามความอยากของเราเวลาไม่ทาไม่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เี่อยากจะเจอผลอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่อยากจะเจอก็ยอมกัดฟันผืนมันอย่าไปทําตามมันใช้สติใช้ปัญญาปัญญามองให้เห็นว่า ถ้าทำตามมันแล้วก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ทำมันก็จะทรมานใจอย่างนี้ <c oughs> แล้วต่อไปมันก็จะฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้พอฝืนได้ความอยากก็จะไม่โผล่ขึ้นมาโผลขึ้นมาเราก็ไม่ทำตามมันได้ถ้าเราลองฝืนมันได้ครั้งหนึ่งแล้วเราฝืนมันไปได้เรื่อยๆถ้าเรา ช, าชนะมันครั้งหนึ่งแล้วเราจะชนะมันไปได้เรื่อยๆ ถ้าเราแพ้มันกี่ครั้งมันก็จะต้องแพ้มันไปเรื่อยๆเห็นเราต้องฮึดสู้เหมือนต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือถึงจะสู้กับความอยากต่างๆได้ถึงจะสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทําได้พระพุทธเจ้าทํามาแล้วเป็นพิษเป็นคนแรกที่ที่ได้ชัยชนะจาก จากความอยากต่างๆเป็นคนแรกในโลกนี้ในยุคในยุคของพุทธกาลนี้มีพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นคนแรกพอท่านรู้จักวิธีหยุดความอยากต่างๆได้ท่านก็เอามาสอนพวกเราใครเชื่อใครศรัทธาใครมีความปรารถนาที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็เอาไปปฏิบัติตามพอปฏิบัติกันเดี๋ยวเดียวก็ได้ พระพุทธเจ้ารับประกันเลยถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเท่านั้นดีกว่าพระพุทธเจ้านี้ต้องพยายามค้นหาวิธีมาไม่รู้กี่กับกี่กันถึงด้ได้มาพบวิธีกําจัดความอยากวิธีหยุดการเกิดแก่เจ็บตายแต่พวกเรานี้สบายไม่ต้องไปค้นหาวิธี ไม่ต้องไปหาค้นหาสูตรเหมือนอยู่ยาเราไม่ต้องไปค้นหายาไปค้นค้าค้นคว้าวิจัยตยาชนิดต่างๆมีพวกนักวิชาการทั้งหลายเขาพยายามวิจัยกันค้นคว้ากันจนเขาสามารถพบยาที่มารักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แล้วเพียงแต่กินยาที่เขาค้นคว้ามาปั๊บเดียวก็หาย <c oughs> สมัยก่อนนี่เป็น มะเรเดียนี่ไม่มีวิธีรักษาเดีย๋ยวนี้กขมียารักษาได้พ อ, อ ก, กินยาเข้าไปเดี๋ยวโรคมลเรียก็หายได้สมัยก่อนเป็นแราวมักจะตายกันนี่เราสายคนที่เขาค้นคว้ามาถ้าเราอยากจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นนักวิจัยเป็นนักค้นคว้าวิธีการหยุดการเกิดแก่เจ็บตาย แล้วพอพระองค์ได้ค้นพบยาวิเศษที่เรียกว่าธรรมโอสถพ ร, ระองค์ก็ส่งนําเอามาแจกพวกเราการอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ให้กินยาธรรมโอสถนี้ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทําทานสอนให้รักษาศีลสอนให้นั่งสมาธิสอนให้เจริญปัญญากันถ้าเร า, ากินยา นีได้แล้วรับรองได้เดี๋ยวความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดการเกิดแก่เจ็บตายก็จะหายไปหมดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะหายไปหมดเหลืออยู่ในใจก็มีเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบรล ม, มาสุขเนีใจที่ปราศจากความอยากปราศจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เราเรียกว่านิพานนั่นเองนิพานไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นสภาพจิตใจที่หายจากการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนร่างกายที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายเพราะยาแต่ร่างกายไม่หายไปไหนเวลากินยาสิ่งที่หายคือโรคภัยไข้เจ็บนิพพานก็เหมือนกันคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่เป็นนิพพานนี้ไม่ได้หายไปไหนเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือไม่มีโรคของการเกิดแก่เจ็บตายยันไม่ต้องกลัวว่าถ้าไปถึงนิพพานแล้วจะสูญหายไม่มีสูญหายสิ่งที่สูญหายคือการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่สูญหายก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองบางคนกลัวพอฟังแล้วว่านิพพานสูญ ปฏิบัติทาไปถึงขั้นนิพพานแล้วจะหายวับไปหมดไม่หายยังอยู่อยู่แบบบรลมะสุขอยู่แบบปรมังสุขขังไม่ต้องกลัวเป็นสภาพที่วิเศษที่สุด ข, ของจิตใจวิเศษเยิ่งกว่าการเป็นมาหาจักรพัฒนิเป็นประธานาธิปดีเป็นมาหาเศรษฐีแสนล้านความสุขของพวกนี้สู้ความสุขที่ได้จากพระ น, นิพพานไม่ได้ พระนิพพานานี้เป็นความสุขเต็มร้อยความสุขของพวกเศรษฐีพวกปธานาธิปดีมันมีความทุกข์มาผสมด้วยถ้าเป็นทองคำก็ทองคำไม่บริสุทธิ์นแต่ถ้าเป็นพระนิพพานนี้เป็นทองคำที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปลกปลอมความสุขล้วนๆและนยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่ามันถาวรไม่มีวันหมด แต่ความสุขจากการเป็นจกักรพรรดิจากการเป็นมาหาเศรษฐีนี่ยังมีวันสิ้นสุดลน่งเวลาแกา่เวลาตายหรือเวลาถูกเขาโค่อนอำนาจความสุขที่เคยมีอยู่ก็จะหายไปหมดดังนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสารแล้วปฏิบัติตามแล้วเราจะได้รับประโยชน์ที่เราไม่เคย ได้รับมาก่อนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตตทินนามเปตานังอุปกก ป, ปักปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิตจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติตระโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ พภิวาทนาสีฤทธานิจังวุฒาปจายโนจตารธมรมวาทาติอายุวันโอสุขังภาลางถ้าใครอยากจะถามปัญหาคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่กล้าถามเองจะเขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก Facebook 402ย t u b บ124วิทยุออนไลน์37ผู้รับฟังบนเขา51รวม614ท่านค่ะโอเคถ้ามีคำถามทางบ้านก็ถามก่อนได้เดี๋ยวให้ไมโครโฟน ให้ไมโครโฟนพูดใกล้ๆปากนะนนอาจารย์ได้สอนถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมตตาโยมอยากจะสอบถามในกรณีที่การที่เราจะต้องตั้งเมตตากับผู้ที่เบียดเบียนหรือว่าต้องตั้งเมตตากับผู้ที่จะรับอย่างเดียวลักษณะนี้ค่ะในการวางจิตเมตตากับผู้ที่เบียดเบียนอยู่เป็นประจาําหรือผู้ที่ หวังผลอยู่ตลอดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะก็ใช้เหตุผลอ่ะคือถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยให้ได้ก็ให้ให้ไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่จำเป็นที่จะต้องให้บางทีก็ต้องใช้อุเบกขาคือทำใจเฉยเฉยถ้ามันเกินเหตุเกินผลก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องช่วยเพราะว่า ถ้าไปช่วยเขาในลักษณะที่ทำให้เขากลายเป็ น, เ ป, นเป็นขอทานอย่างนี้ก็ไม่ดีช่วยให้เขาแล้วเขาต้องมาเกาะเราอย่างนี้ไปตลอดก็ไม่ต้องช่วยช่วยเพื่อให้เขาลุกขึ้นมายืนได้แล้วเดินไปได้ช่วยให้เขาช่วยตัวเองถ้าการช่วยเหลือต้องช่วยแบบนี้ เวลาใครเดือดร้อนเขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้ก็ช่วยไปในช่วงนั้นเช่นเวลาน้ําท่วมไฟไหม้ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีข้าวของเงินทองตอนนั้นไม่มีอะไรเลยก็ต้องช่วยกันไปแพอกลับมาสู่สภาพปกติเขาก็ต้องไปหางานไปหาอะไรทํากันไปถ้าแถวพิกลพิการอันนี้ก็อาจจะต้องช่วยต่อ อาจจะต้องส่งไปให้สถานที่ที่ก็จะช่วยได้อย่างต่อเนื่องพาเขาไปที่สถานคนพิการหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่เราจะทำได้คืออย่างน้อยก็อย่าดูดายอย่าใจไม้ไส้ละกรรมถ้าพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือแต่ต้องช่วยอยู่ในกรอบช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้อย่าช่วยแบบต้องแบกเขาอุ้มเขาไปตลอดชีวิต ช่วยแบบนี้ไม่เป็นการช่วยเป็นการทําลายเขาเพราะเขาจะพึ่งตนเองไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นอะไรไปเขาก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันที yeah. ในกรณีที่เราหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่กับคนที่เป็นคนเบียดเบียนคนเอารัาเอาเปรียบ ก็ฝึกสมาธิไปทําใจไปว่าเป็นกรรมของเราถ้าแยกกันไม่ได้ถ้าถ้าเป็นแฟดยามนี้มันแยกกันไม่ได้ก็ต้องอยู่กันไปวิธีจะอยู่กับสิ่งที่เราไม่บารถนาก็ต้องฝึกทําใจให้สงบนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วใจจะปล่อยวางใจจะไม่เดือดร้อนจอะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆได้นะ ก็ต้องเจริญอุเบกขาเมตตาก็อุเบกขานี่มันเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาหรือเหมือนตาช่างต้องให้มันอยู่พอดีกันเมตตามากไปมันก็มันก็ไม่ดีอุเบกขามากไปมันก็ไม่ดีอุเบกขามากไปอาจจะกลายเป็นใจไม้ไส้ละกรรมไปก็ได้เมตตามากไปก็เดี๋ยวจะกลายเป็น คนที่จะต้องมาแบกความทุกข์ของคนอื่นไปตลอดมันก็เลยต้องให้มันมีพอความพอดีมีเมตตากับมีบูเบกขาแล้วแต่เหตุผลแล้วแต่กรณีที่ควรจะใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นไปแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขจะไม่รู้สึกว่าเราไม่มีความเมตตาเพราะเราก็เมตตาเท่าที่เราคิดว่าควรจะเมตตา แต่ถ้ามันเกินนั้นเราก็ไม่เมตตาได้แต่ถ้าเราไม่เมตตาเลยอุเบกขาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราไม่สบายใจก็ได้นอกจากว่าเรามีมอุเบกขาจริงๆแล้วเราช่วยเขาไม่ได้จริงๆมันก็เราจะไม่รู้สึกเดือดเสียใจหรือไม่สบายใจแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังช่วยเหลือเขาได้แต่เราไม่อยากจะช่วยเขาอันนี้ มันก็อาจจะทําเราให้เรารู้สึกไม่สบายใจได้เฮ้ยเราน่าจะช่วยเขา้ะเมื่อกี้นะแต่เราไม่ช่วยเขาเออย่างนี้ก็บางทีก็ยากเหมือนกันว่าอันไหนควรจะเป็นอันไหนเอนควรจะเป็นโอเบคาหรือจะควรเป็นความเมตตาเพราะความเมตตาบางทีถ้าไม่รอบครอบก็ทําให้เราเสียหายได้ไปช่วยโจรง น, นี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรเขาหลอกเรามา มาสร้างภาพว่าเขาไปเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้พอไปช่วยเหลือเขาพอเราเผลอเขาก็ฆ่าเราอย่างนี้ปนเราอย่าน้ขับรถไปคนโบกรถนี่บางทีก็ไม่อยากอยากจะรับก็รับไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเป็นใครรับไปแล้วเดี๋ยวเกิดเป็นโจรขึ้นมาแล้วมันจะเป็นภัยกับเราอัานนี้แต่ถ้ามันมีเหตุผลแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจจะไม่รู้สึกไม่สบายใจ นะอันนี้ก็ต้องใช้ใช้ปัญญาใช้อะไรหลายอย่างเวลาจะทำอะไรจะเมตตาดีหรื่อจะโอเบคขาดี <c oughs> มีอีกไหมมีนะอ่ามีคนหนึ่งอยู่ข้างๆลางส่งมาให้ไม่ส่งต่อไปกราบนรมัสการพระอาจารย์ค่ะยมขอพระอาจารย์เมตตาช่วยอธิบายข้อทํา คำว่าสติค่ะสติปฐานสี่กับสติสัมโภชงตัวนี้นี่ตัวเดียวกันสติปฐานสี่นี้เป็นสูตรเป็นครบครบหลักสูตรสติปฐานนี้นอกจากให้สร้างสติแล้วให้สร้างสมาธิให้สร้างปัญญาเพื่อที่จะได้ละสังโยชน์เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องต้องทำเต็มสตร แต่สติสัมปชัญญะนี้เป็นหนึ่งส่วนของสูตรของสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสติก่อนเหมือนถ้าเราจะขับรถไปไหนมาไหนไดน้เราต้องมีกุญแจรถก่อนถ้าหากุญแจรถไม่เจอก็ขับรถไม่ได้เปิดประตูรถไม่ได้สตาร์ทรถไม่ได้ยังต้องหากุญแจให้เจอเวลาจะใช้รถใช่ไอม อันนี้ก็เหมือนกันในการที่เราจะนั่งสมาธิทาใจให้สงบในการที่เราจะฝึกปัญญานี่เราต้องมีสติก่อนสติก็มีสองแบบสติแบบล้มลุกคุก ค, คานกับสติแบบเดินได้วิ่งได้สติแบบล้มลุกคุก ค, คาแเราก็เรียกว่าสติที่ชั่วคราว <c oughs> ได้แล้วก็เผลอเผอแล้วก็ได้อันนี้เรียกว่าสติชั่วคราว สติที่แบบไม่ไม่เผลอนี่เรียกว่าสติสัมปะชัญญะสัมปะชัญญะก็คือสติที่ต่อเนื่อง <c oughs> ไม่ขาดตอนแต่เวลาเริ่มต้นใหม่ๆนี้มันจะขาดตอนเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอเช่นเรามาฝึกสติด้วยการพุโทโธพุโทโธเวลาเราพุโทโธก็มีสติพอเราหยุดพุดโทโธ ไ, ไปเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สติก็หายไป ถ้ามีสติมันจะพุโทโธไปเรื่อยๆถ้ามันจะหยุดมันก็หยุดด้วยสติคือรู้ว่าต้องหยุดเช่นต้องคิดเรื่องงานเรื่องการมันก็หยุดสติหยุดพุดโทโธไปแล้วก็มามีสติอยู่กับการคิดเรื่องงานพอคิดเรื่องงานเสร็จก็ดึงกลับมาพุโทโธใหม่จะไม่ปล่อยให้มันไปคิดเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้อนี่เรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้าต่อเนื่อง ถ้ายังล้มลุกคุก ค, คานอยู่เรียกว่ายังไม่เป็นสติสัมปชจจัญญะต้องมีสติก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิใจก็ฟุง้งคิดเรื่องนื้นเรื่องนี้นั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่สงบไม่ได้ผลแต่มีสติแล้วนั่งแล้วสมาธิจิตจะสงบสงบแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังเนี่ย อยู่ที่การฝึกสตินั่งสมาธิพอนั่งสมาธิได้จิตสงบก็จะได้นัตสันติบลังสุขขังแล้วก็จะได้อุเบกขาเนี่ยตัวนี้ยะที่เราต้องการกันเวลามีอุเบกขาแล้วใจสบายไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วถ้าเกิดใจออกจากอุเบกขาก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้กลับเข้ามาในอุเบกขา สอนให้ปล่อยวางเรื่องที่เราอยากจะไปวุ่นวายด้วยว่ามันไม่ได้ไม่คุ้มเสียเอได้สุขแต่มันมีทุกข์ตามมาออย่าไปยุ่งกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเออยู่กับอุเบกขาอยู่กับนัตถสันติพลังสุขขังถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ต่อไปก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ขออนุญาตอีกครั้งเจ้าค่ะ พอดีเราพูดถึงเมตตาพอดีโยมนึกถึงคําพูดที่ว่าเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยไขอธิบายให้พวกโยมได้เข้าใจด้วยเจ้าค่ะมีเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยเพิ่งได้ยินวันนี้เหรอหล่ะเจ้าค่ะโยมโยมได้ยินมาใอ่ไหมเจ้าค่ะก็เมตตาก็เป็นพื้นฐานที่จะพาเราไปการหลุดพ้นได้แล้วแต่จริตของคนไงการจะทําสมาธินี่เราใช้ วิธีทาสมาธิได้หลายรูปแบบบางคนก็ใช้อนาปานาสติบางคนก็ใช้มรา น, านุสติบางคนก็ใช้แผ่เมตตาอันนี้เป็นกรรมฐานเป็นวิธีที่จะทำใจให้สงบก่อนก่อนที่จะไปทางปัญญาได้อย่างถ้าเรามีจริตที่ชอบเมตตาเราก็ฝึกแผ่เมตตาไป เวลานั่งสมาธิก็สวด ส, สัตส์ตาเอเวลาหนตุไปเ อ, อบบาใบยาป ช, ชาหนตุไปถ้าจิตเรามีความเมตตาจริงๆมันก็จะสงบเช่นล้วมันกำลังโกรธเกลียดใครพอใช้เมตตาปับความโกรธเกลียดนั้นก็จะหายไปแล้วก็ใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้ต้องใช้ต้องทาใจให้สงบก่อนถึงจะไปวิปัสสนาได้ พอวิปัสสนาแล้วมันต้องใช้ปัญญาเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าเจโตหรือเมตตาหรืออาณาหรืออะไรมันมันขั้นสมาธิพอถึงผ่านขั้นสมาธิจะไปขั้นปัญญานี้มันจะต้องใช้ตายรักแล้วต้องใช้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันถึงจะหลุดพ้นได้ยังบางทีคนเขาเขียนกับ็าอาจจะเขียนแบบไม่อธิบายให้รอบครอบ คนฟังเลยคิดว่าหลุดพ้นได้ด้วยเมตตาอย่างเดียวไม่ได้หลุดพ้นด้วยมนานุสติอย่างเดียวก็ไม่ได้หลุดพ้นด้วยอนาปานาสติอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นขั้นของสมาธิที่ต้องต้องผ่านก่อนก่อนจะเข้ามาหาหลายได้ต้องผ่านระดับมัธยมก่อนมัธยมก็มีหลายโรงเรียนมีหลายแบบมีหลายระดับมันก็เหมืนอมนกั น, กน ต้องผ่านสมาธิก่อนก่อนจะผ่านสมาธิก็ต้องมีสติก่อนต้องไปเป็นขั้นขั้นสติแล้วก็สมาธิสมาธิจะใช้เมตตาก็ได้ใช้เจโตใช้การเพ่งอะไรก็ได้แล้วพอผ่านสมาธิแล้วทีนี้ก็อยากเข้าไปสู่อันิจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นตายรักเห็นอริย ส, รรสัจสี่เรียกว่าเห็นดวงตาเห็นธรรม อันนี้เหมือนกันขั้นปัญญานี้เหมือนกันแต่ขั้นสมาธินี้มาจากหลายสายได้มาจากสายวิทย์สายอะไรได้เวลาจะเข้ามาหาอะไรนี่มีทั้งสายวิทย์สายอะไรมาจากโรงเรียนเตรียมก็ได้มาจากโรงเรียนต่างจังหวัดก็ได้แต่เวลาเข้ามาหาอะไรแล้วเรียนเหมือนกันอันนี้พอเข้าสู่ระดับปัญญาแล้วต้องเรียนตายลักษ์เหมือนกันเรียนอริยสัจสี่เหมือนกัน ถึงจะวิมุิได้หุดพ้นได้หวังว่าคงจะเข้าใจอหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอเอาทางบ้านอเอาทางบ้านต่อคำถามจากคุณชรินทิพย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะใจเราให้อภัยเขา ไม่อยากสร้างศัตรูแต่เขาไม่ยอมให้อภัยเราคือเราก็อยู่เฉยๆใช่ไหมคะใช่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไงเขาไม่ให้อภยัยเขาก็ร้อนท่านเราให้อภยัยแล้วเราเย็นเราเย็นแล้วเราก็อยากไปอยากให้เขาให้อภัยเราพอเราไปอยากให้เขาให้อภัยเราพอเขาไม่ให้อภัยเราเราก็ร้อนขึ้นมาอีกเห็นเราไม่ไปยุ่งเกีย่ยวกับใครเราแก้ปัญหาที่ใจเราตัวเดียวใจเราร้อนด้วยความโกรธเราก็จะให้อภยัย พอมันเย็นแล้วส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันถ้าก็ยังจะมาทุบตีเราถ้าเราหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยอมให้เขาทุบตีเป็นพระอรหันต์ยังต้องยอมตายเลยเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องถูกเทวทัตมาพยายามฆ่าเลยแต่ใจของท่านเย็นใจท่านเมตตาใจท่านไม่ไปอาฆาตพยาบาทไม่ตอบโต้คำถามจากคุณยอหญิง ขออนุญาตเรียนถามเรื่องนั่งสมาธิเจ้าค่ะดิฉันนั่งสมาธิถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วมีอาการปวดตามขามากก็ทนดูอาการปวดไปเรื่อยๆจนทนไม่ไหวก็ออกจากสมาธิจึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนั่งสมาธิควรนั่งนานแค่ไหนเจ้าค่ะถึงจะเรียกว่านั่งสมาธิถูกต้องเจ้าค่ะอเราไม่ได้ดูที่เวลาเป็นหลักเราดูที่ว่าสงบหรือไม่สงบถ้ายังไม่สงบกี่ชั่วโมงก็นั่งนั่งต่อ นั่งไปจนกว่าจะสงบถ้านั่งไม่ไหวก็ต้องกลับมานั่งใหม่ต้องทำไปเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้มันสงบตอนที่มันเจ็บก็คือต้องสร้างสติเพิ่มเหมือนเราขับรถนี่น้ำมันมันหมดมันรถมันเริ่มไม่วิ่งละเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนถึงจะวิ่งต่อได้พอนั่งสมาธิพอมาเจอความเจ็บปั๊บนสติหมดละหายละเราก็ต้องเร่งสติหรือเพิ่มสติ ด้วยการบริกรรมพุทธโธอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูความเจ็บยิ่งดูความเจ็บยิ่งปวดยิ่งทรมานถ้าไม่อยากทรมานไม่อยากจะเจ็บไปกับความเจ็บให้อยู่กับพุทธโธไปหรืออยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้สวดไปพุทธโธไปเดี๋ยวมันจะลืมความเจ็บเองแล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจ แล้วก็อาจจะอยู่กับความเจ็บได้โดยที่ไม่รู้สึกลำคานแล้วก็นั่งต่อไปจนสงบได้คำถามจากคุณธิระยุทธ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาที่เรานั่งภาวนาจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิแค่มีสติบ้างฟุ้งซ่านบ้างหลังจากนั่งเสร็จเราอุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาญาติพี่น้องและสัพพสัตว์เขาจะได้รับไหมครับ ก็เราไม่มีให้เขาก็จะได้รับยังไงบุญยังไม่เกิดจากการนั่งสมาธิที่ยังไม่สงบนะแต่อยากจะอุทิศบุญก็ไปทำบุญใส่บาตรดีกว่าบุญใส่บาสนี้บุญเร็วฟาสต์ฟู้ดกันยังไงถ้าไปสั่งโต๊ะจีนนี่อาจจะต้องรอหลายวันต้องบอกเขาล่วงหน้าก่อนจะกินโต๊ะจีนนี่ต้องไปสั่งเขาล่วงหน้าก่อนแต่ถ้าจะสั่งปุ๊บกินปั๊บนี่ต้องไปนะฟาสต์ฟู้ดเนี่ย พอสั่งปุ๊บเขาก็หยิบมาใส่ถุงมาให้เสร็จกินได้เลยงัย้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทําบุญอุทิศด้วยการทําทานอย่าทําบุญอุทิศด้วยการมานั่งสมาธิรักษาศีลเพราะว่ามันยังไม่เกิดไงเป็นเหมือนกําลังปลูกฝังอยู่ปลูกต้นไม้อยู่ต้นไม้กว่าจะออกดอกออกผลอกีกไม่รู้กี่ปี ดีไม่ดีต้นไม้ต า, ตายไปก่อนก็มีนั่งสมาธิไม่ไม่สำเร็จก็เลยและกนั่งไม่นั่งต่อไปยิ่น้อย่าไปกังวลเรื่องอุทิศบุญตอนที่เรานั่งสมาธิถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ไปใส่บาตรไปทำทานนั่งสมาธินี้เพื่อตัวเราไม่ได้เพื่อคนตายเน่เราต้องการความสงบคำถามจากคุณปิ๊งปิงกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะ หนูอยากทราบว่าพอปฏิบัติแล้วมีการเห็นสภาวะว่าตัวเองกําลังปรุงแต่งอยู่สิ่งที่เห็นว่าเรากําลังปรุงแต่งนี้คืออะไรคะก็อย่าไปสนใจให้หยุดความคิดปรุงแต่งเวลานั่งสมาธิไม่ให้มานั่งวิเคราะห์ว่าใครเป็นใครเวลานั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งอย่าไปนั่งวิเคราะห์มันก็ปรุงแต่งต่อิเราเป็นใครใครเป็นใครนั่นยิ่งคิดไปใหญ่ เวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจว่าใครเป็นใครให้สนใจว่ามันปุงแต่งอยู่ว่าเปล่าปุงแต่งก็หยุดมันขั้นสมาธินี้ไม่ต้องการปัญญาต้องการหยุดความคิดปุงแต่งต้องการความสงบต้องการอุเบกขางั้นเรียนคนลวิชากันวิชาสมาธินี้ไม่ให้คิดให้ผ่านวิชานี้ให้ได้ก่อนถึงจะไปเรียนวิชาปัญญาได้ถ้าผ่านสมาธิแล้วค่อยไป ไปค้นคว้าเรื่องตัวเราตัวอะไรนี้ต้องรอให้มันผ่านขั้นนี้ไปก่อนตอนที่อยู่ขั้นนี้ยังไม่ได้สําเร็จขั้นนี้อย่าไปคิดอะไรให้หยุดความคิดเพียงอย่างเดียวค่ะคําถามต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้นคือพอมีอะไรมากระทบเหมือนจะไม่ถึงใจของเรา สิ่งที่มากระทบจะร่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรเจ้าคะเพราะนั่นอย่าเพิ่งไ่สนใจเมื่อคุณไม่สามารถหาคาตอบได้ก็แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมเพราะของพวก น, นี้ถ้าคุณพร้อมคุณจะรู้เองว่ามันเป็นอะไรทามันเป็นสันติโกคุณต้องมีสมาธิก่อนมีความสงบก่อนแล้วคุณถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นทำสมาธิก่อนหยุดความคิดก่อน คำถามจากคุณแพมเราจะมีวิธีจูงใจให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นมาลองศึกษาพุทธศา ส, สนาดูบ้างได้อย่างไรเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเขาสนใจหรือไม่สนใจถ้าไม่สนใจก็ไม่มีวิธีใดที่จะทําให้เขามาได้ถ้าเขาสนใจก็ามาถามเราก็แนะนําเขาไปได้คําถามจากคุณจินขอบกราบน้ำมศการพระอาจารย์ครับความคิด สังขารความปรุงแต่งทางไม่ดีทําอย่างไรไม่ให้มีหรือไม่ให้เกิดครับก็หยุดมันซะต้องใช้สติหยุดมันต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธพอคิดอะไรไม่ดีก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าอยากให้มันหายถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพอหยุดมันได้แล้วขั้นต่อไปเวลามันจะคิดก็บอกคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดแล้วจะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็จะไม่กล้าคิดน คำถามจากคุณจตุรนกราบน้ำมศ ก, การถามหลวงปู่ครับกระผมฟังธรรมะและฝึกปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่ค่อยจะได้ไปไหนอยู่กับลูกและภรรยาจะเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมไหมครับเพราะไม่ค่อยได้พูดคุยและคลุกคลีกับใครรังเกียจแบบนี้ก็ไม่เสียหายอ ย, าอย่าให้เขารังเกียจเพราะเราไปขโมอยเงินเขาเลยอย่าให้เขารังเกียจเพราะเราไปทำผิดศีลผิดธรรม ถ้าเราปฏิบัติรมแล้วเขาลังเกลียก็ไม่เป็นไรช่วยเหลือช่วยห้ามก็ไม่ได้คําถามจากคุณแคทกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากถามว่าถ้าเราสวดมนต์ก่อนนอนแต่สวดในใจไม่ออกเสียงแต่สติตั้งมั่นจะได้บุญไหมคะก็แล้วแต่สงบไม่สงบถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญคําถามจากคุณบินิเมต อยากกราบถามว่าเวลาเจอคนที่เราไม่ต้องการเจอเพราะเขาเจ้าอารมณ์ควรทำอย่างไรคะคือเขาเป็นเจ้านายเราที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้ไม่ชอบเขาแต่จำเป็นต้องทำงานกับเขาคะ่ะก็แผ่เมตตาสิยิ้มให้เขาเนี่ยทักทายเขาสบายดีเลืออะไรมีขนมก็ให้เขาไปเดี๋ยวต่อไปเขาอาจจะชอบเราทำดีกับเราก็ได้ แต่เราไม่ขาดทุนถ้าก็ไม่ทำดีกับเราไม่ชอบเราอย่างน้อยเราก็สบายใจถ้าเราแผ่เมตตามไม่ได้ก็อุเบกขาไปพูดโทพูดโทไปอย่าไปรังเกยียดเขาคำถามจากคุณนักโมกราบธรรมสการครับคำถามที่หนึ่งทำไมห้ามเดินจงกรมขวางตะวันครับ มีความจำเป็นต้องเดินขวางตะวันเพราะสถานที่บังคับจะมีผลอะไรไหมครับต้องไปถามคนห้ามเด๋ยเราไม่ได้เป็นคนห้ามไวค่ะคำถามที่สองค่ะเวลานอนหันหัวไปทางทิศไหนก็ได้ใช่ไหมครับทำไมในตำราบอกทิศตะวันตกไม่ดีครับ ก็เหมือนกันนะไปถามตำราดูเลยเราไม่ได้เป็นคนเขียนตำราอยู่ะคำถามหมดแล้วค่ะหมดแล้วพอดีมีญาติโยมมาที่กลุ่มหนังนี่อยากจะถวายข้าวของก็เชิญเข้ามาได้ตอนนี้มีข้าวของอะไรอยากจะถวายก็เชิญเข้ามาได้ที่นั่งอยู่ข้างล่างนี่ ก็ค <łość> ิดว <an ized> <Harriet> ่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด